วันนี้เป็นวันที่3ามสิบอมีนาคมพุทธศักราช2555หวันนี้เป็นวันประชุมเพลิงหลวงปู่จันทานะอำเภอทรายมูลจังหวัดพิจิตรเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวที่เป็นพระมหาเถระรุ่นใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาว มีหลวงปู่จันทาหลวงปู่เพงแต่หลวงปู่จันทาสมัยอยู่วัดธรรมกองเพงอายุก็80ดสิบกว่าลมะมั้งท่านก็เพิ่งจากไปเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้เป็นวันประชุมเพิงคณะสงฆ์คณะญาติโยมคงจะขึ้นไปเยอะอย่นะวันนี้นะ แต่หลวงพ่อไปก่อนแล้วไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าภาระกิจธุระภาระของหลวงพ่อมาลงมาตุ่มช่วงนี้แล้วก็วันพุ่งนี้ก็จะได้ออกไปข้างนอกมาลืนนี่กไปไประชุมมูลนิธิแล้วก็ต่อไปก็คงจะไปเกี่ยวกับมอบอาคารโรงพยาบาลศูงอุดร เป็นระยะระยะหลวงพ่อก็เลยไปก่อนขึ้นจากกรุงเทพก็ไปงานของหลวงปู่ก่อนวางดอกไม้จันร์ก่อนแล้วก็เขาก็ในมลแสดงธรรมวันเปิดงานวันแรกวันที่ยี่สิบสองหลวงพ่อก็เลยอยู่ในงานวันหนึ่งก็ วันประชุมเพลิงจริงหลวงพ่อบอกาหลวงพ่อภาระมากไปก่อนแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์แต่และองค์โรงงรยไปเรื่อยๆตามอายุสังขารผุมาก่อนก็ไปก่อนผุมาทีหลังก็ไปตามหลัง อย่างหลวงพ่อคงจะเดินตามหลังท่านไปเรื่อยๆเหมือนกันไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานเพราะนั้นในขณะที่อยู่ถึงจะเป็นดูเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันก็ให้ทำคุณประโยชน์ต่อโลกต่อวัดวาศาสนาต่อพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ตนเองเป็นหลักก่อนถ้าตนเองประโยชน์ตนเองมีพร้อมแล้วประโยชน์คนอื่นมันก็ค่อยไหลไปเรื่อยแต่ประโยชน์ตนเองหาตกบกพร่องแล้วจะช่วยคนอื่นได้ยังไงเหมือนกับคนพิการถ้าคนพิการและจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงตัวเองตาบอดแล้วจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไง ตัวเองตรงตาดีขาดีแขนดีสมองดีใจดีปกติจึงจะช่วยคนอื่นได้นี้กูเหมือนกันเราต้องทำตนเป็นคนดีมีศีลธรรมประจําใจจากนั้นเราจึงค่อยคิดช่วยคนอื่นจึงจะสมบูรณ์ ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณะศรัทธาญาติโยมพระเนรทุกองคที่ก็มาอยู่ในร่มเงาภากาสาวัส์หรือว่าเข้าอยู่ในร่มเงาของวัดวาศาสนาจะให้ทั้งอกทั้งใจจะตั้งอยู่ในความประมาทถึงเราจะอยู่อย่างไรดูดีมีสุขขณะ น, นี้แต่เราก็ต้องคิดถึงอนาคตที่จะมาถึง ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในปัจจุบันเพียงวันเดียวอนาคตของเราให้เราเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาที่เขามีสุขกว่าเราเขาสบายกว่าเรามั่งมีสีสุขกว่าเราอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงตามหาบัวท่านมีเกียรติศักดิ์ชื่อเสียงขนาดไหน เป็นที่ยอมรับของคู่คนขนาดไหนหลวงปูล่ลากหลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่างๆที่หลวงพ่อเคยไปอยู่กับท่านอย่างหลวงปู่แววนนท่านเหล่านั้นไปไหนหมดแล้วหลวงพ่ออินจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องย้อนมาถามตนเองในเมื่อย้อนมาถามตนเองก็เรา ก็จะต้องเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเดินท่านไปยังไงเราก็ต้องไปอย่างนั้นแต่การไปของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านฝากศีลธรรมไว้ในแผ่นดินท่านฝากคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินเราควรจะเดินตามแนวแถวนั้นใช่ไหมกัในนายใจก็ตอบว่าใช่ เราจะต้องเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเดินสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนถึงนันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติจึงไันจะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเราจะต้องเดินตามแนวแถวนั้นและพร้อมกันเราก็อญญาให้ขาดตุว ป, ปกป้องในตัวของเราเองเหมือนกับเราอย่าเป็นคนพิการอย่างที่ว่านั่นอย่าเป็นคน อ่อยเปียเสียขาตาบอดอย่างนั้นไม่ใช่เราต้องมองศีลธรรมต้องปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในธรรมเรารู้เราจะสอนเราจะบอกกล่าวพวกน้องๆพวกเตือนตามภายหลังเราจะสอนอยังไงก็ให้สอนอยู่ตามหลักทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้เรียนได้ศึกษามา ได้ปฏิบัติมาดยความมั่นใจจากนั้นเราก็สอนตามบอกกล่าวตามที่เราเราได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาได้รับผลมาอย่างไรนี่ก็เราจะต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องร่างกายสังขารการเป็นอยู่เนี่ยไม่มีใครที่จะเล็ดลอดไปได้ต้อง ไปด้วยกันทุกคนอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่วาดองค์หลวงตาของเราท่านกิจทิ่ศักดิ์เกียร ต, ติคุณของท่านโด่งดังขนาดไหนแต่เราก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับองคหลวงตาอีกหลวงตาก็จะเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าหรือพระหัตถสาวกในครั้งพุทธกาลก็เพียบเปรียบเทียบกันไม่ติดอีกเหมือนกันแต่ พระพุทธเจ้าบรมครูรู้หมดทุกอย่างท่านก็ยังเสด็จดับขันดับขันปรินิพานธสรุปแล้วก็คือขันคือร่างกายเนี่ยเป็นวิบากเกิดขึ้นมาแล้วจ ก, ก็ไม่มีใครที่จะกลีกไปไหนได้แต่ว่าใจเท่านั้นเองทใจนะะั่นแหะเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องฝึกจะต้องฝึกจะต้องหัดดัด กัดเก่าชำระแต่การชำระใจเนี่ยมันยากมากแต่ว่าไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้ที่จะขัดเกลาพร้อมที่จะขัดเกลาได้พร้อมที่จะดูแลได้พร้อมที่จะชำะล้างได้พร้อมที่จะใช้ตปธรรมสินสมาธิปัญญาเข้ามาจับแล้วก็ขัดเกลา ให้หมดให้หลุดพ้นจากกิเลสได้สรุปแล้วใจชำละได้ใจให้ฉลาดได้ให้โง่ได้ถ้าจะให้โง่ก็ได้จะให้ฉลาดก็ได้แต่ถ้าให้โง่ใครๆไม่อยากจะโง่แต่มันโง่เองเพราะกิเลสภายในใจของเรากิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเข้ามาคลองใจแล้วน่ เราเอาชนะมันไม่ได้เราไม่สู้เราไม่ฝืนเราไม่มีสัจจะเราไม่มีความจริงจังจริงใจเราไปในทางที่ดีเรายอมแพ้มันตามมันตามกระแสของมันมันพัดไปที่ไหนเขาไปอันนั้นแปลว่าไปตามกิเลสกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะพาไปอันนั้นตกต่ำถ้าไปตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนแนวอริยมรรค อริยมรรคมรรคคือหนทางที่จะไปสู่ความเจริญทำอย่างไรอันนี้เราต้องศึกษาเมื่อศึกษารู้แนวทางแล้วก่อนนั้นเดินตามนั้นสำหรับกระว اة ญาติโยมกวชยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งพุทธทางธรรมังสงงัสงขังสารนังคัจฉามิจากนั้นก็มีศีลห้ามีทานมีศีลมีภาวนามีทาน ใ ห, ใ, ห ใ, หให้ทำบุญทำทานนะเกิดมาทั้งทีชีวิตถ้าคนไม่มีทานจะหาความสงบพร้มเย็นเป็นจุกไม่ได้คนไม่มีศีลก็เหมือนกันถ้าผู้ใดก็ตามเป็นผู้มีศีลแล้วปิดอบายภูมิไม่ตกนรกเพราะเป็นผู้มีศีลจากนั้นก็มีภาวนามีสมาธิตามขั้นตอนก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นได้เราก็ต้องอาศัยการ ศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังจากท่านผู้รู้จากหนังสือจากเทปจากเ p 3พสามจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเราเ ร, เรียนรู้แล้วเรานำมาประพุทธปฏิบัตินั่นแหล ะ, ะเราจะเดินตามมักตามผลเดินถูกทางตามแนวเรียมักที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมานะขอให้พวกเราทูกทานเนอะ เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วสิสังสมคุณงามความดีตอนนี้ไปรับพรอนุมัทนาให้พร